6. อนุปคัดชะสิกขาบท 69. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่เข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เข้าไปอยู่ในวิหารของสงก่อนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถาม